การสะกดจิตกับการเข้าทรงเรื่องแววเสียงสวรรค์ฉบับเดือนพฤษภาคมข้าพเจ้าได้กล่าวถึงข้อความไว้ตอนหนึ่งว่าการติดต่อกับวิญญาณของผู้ตายด้วยวิธีการสะกดจิตนั้นโดยธรรมดาแล้วย่อมทำไม่ได้ และถ้าหากจะเป็นไปได้ผู้ที่ถูกสะกด ก, ก็จะเป็นอันตรายถึงกับเสียสติหรือเป็นโรคประสาทอย่างร้ายแรงได้ซึ่งข้อความที่กล่าวมานี้ยังไม่มีโอกาสได้อธิบายเพราะหน้ากระดาษจำกัดจึงได้เลื่อนมาอธิบายต่อในฉบับนี้และก่อนที่จะเขียนข้าพเจ้าก็ได้กราบเรียนถามถึงเรื่องนี้กับเท พ, พเจ้าองค์หนึ่งแล้วซึ่งท่านได้กัุณาอธิบายดังตอไปนี้ ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจคำว่าการสะกดจิตเส ก, ก่อนกล่าวคือผู้ที่ถูกสะกดจิตนั้นหมายความว่าเขาตกอยู่ในอำนาจจิตของผู้สะกดต้องเป็นไปตามคำสั่งของผู้สะกดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจิตของผู้ถูกสะกดนั้นไม่ว่างหรือไม่เป็นอิสระและด้วยเหตุนี้เองถ้าหากจะมีวิญ ญ, ญาณที่ไหนมาเข้าทรงจึงเข้าไม่ได้ าการเข้าส่งก็คือการสะกดจิตเหมือนกันต่างกันแต่เพียงว่าผู้ที่มาสะกดเป็นโอปปาติกะไม่ใช่เป็นมนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการสะกดจิตถ้าหากเป็นการสะกดซ้อนโดยธรรมดาย่อมทำไม่ได้เพราะภาวะของจิตใจที่เข้าไปครอบงมต่างกัน สมมติว่าทาั้งๆที่ผู้ถูกสะกดตกอยู่ในอำนาจจิตของคนใดคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็มีอำนาจจิตของคนอื่นซึ่งมีภาวะแตกต่างกันพยายามที่จะเข้าไปครอบงามอีกนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับคนบางคนที่ได้รับความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงและถ้าความรู้สึกที่ขัดแย้งนี้เกิดขึ้นในจิตสานึกเราก็จะเลยเห็นว่าคนคนนั้นได้แสดงความกลุ่มใจหรือแสดงอาการผิดปกติออกมาอย่างไร แล้วเราก็ยังรู้จักสาเหตุได้ง่ายว่าความรู้สึกที่ขัดแย้งนั้นคืออะไรฉะนั้นจึงมีทางที่จะคลี่คลายได้ง่ายในเมื่อผู้นั้นมีพื้นฐานที่จะคลี่คลายออกได้ง่ายแต่ถ้าหากความรู้สึกที่ขัดแย้งกันนี้ฝังลงไปในจิตไร้าสานึกแล้วและคลำหาไม่พบว่าความขัดแย้งนั้นอยู่ที่จุดไหนหรืออยู่ในเรื่องอะไร ในกรณีอย่างนี้ก็จะทำให้ผู้นั้นเป็นโรคประสาทได้ง่ายและถ้าขัดกัน ร, รุนแรงมากก็ทำให้เป็นโรคจิตได้และตราบใดที่ยังคลำหาความขัดแย้งไม่พบและไม่ได้คลี่คลายออกคนคนนั้นก็จะไม่หายจากการเป็นโรคประสาทหรือโรคจิตเป็นอันขาดนี่คือภัยที่ร้ายแรง อันที่จริงในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปก็มักจะได้รับอิทธิพลในลักษณะของการสะกดจิตจากคนอื่นอยู่เสมอแต่ในเมื่อคนไหนรู้จักปรับความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้เข้ากันได้กับสิ่งที่รับเข้าไปใหม่ๆความขัดแย้งไม่มีจิตใจของเขาก็ยังเป็นปกติอยู่ได้แต่ถ้าหากคนไหนปรับให้เข้ากันไม่ได้และความรู้สึกที่เข้าไปใหม่ก็เป็นความรู้สึกที่รุนแรงประทับใจมาก และความรู้สึกที่มีอยู่ก่อนก็รุนแรงเมื่อเป็นเช่นนี้การขัดแย้งก็จะมีอยู่อย่างรุนแรงในกรณีอย่างนี้ก็จะทำให้เป็นโรคประสาทง่ายมากคนส่วนมากในสมัยปัจจุบันที่เป็นโรคประสาทที่มีสาเหตุมาจากทางจิตใจนั้นส่วนมากก็เป็นกันเพราะเหตุนี้อย่าลืมว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตสานึกนั้น ทุกอย่างย่อมมีวิบากคือมีเชื้อของมันเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกและในเมื่อในจิตสำนึกเกิดความขัดแย้งกันก็ย่อมหมายถึงว่าความขัดแย้งอันนั้นจะต้องเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกด้วยความขัดแย้งในจิตสำนึกก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างไรบ้างเราสังเกตเห็นได้ง่าย แต่ถ้ามันฝังลงไปในจิตไร้สำนึกและฝังมานานแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ยากแต่จะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกนั้นจะต้องก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อระบบอวัยวะภายในเสมอและทาให้เกิดโรคต่อระบบอวัยวะภายในต่างๆได้และบางคนก็อาจจะทำให้เกิดโรคผิวหนังขึ้นได้ทั้งนี้สุดแล้วแต่จุดอ่อนของร่างกายจะอยู่ที่ไหน หลักวิชาที่อธิบายมาให้ฟังโดยสังเขปนี้จะเห็นได้แล้วว่าการเข้าส่งโดยวิธีการสะกดจิตนี้ถ้าหากจะเป็นไปได้ก็จะต้องมีอันตรายดังที่กล่าวมานี้การสะกดจิตอีกแบบหนึ่งคือการสะกดตัวเองซึ่งครั้งแรกอาจจะเกิดจากอิทธิพลของผู้อื่น หรืออาจจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองก็ตามผู้ที่สะกดจิตแบบนี้ก็จะเป็นคนทรงไม่ได้เช่นเดียวกันเว้นไว้แต่ในกรณีที่การสะกดจิตนั้นจะได้กระทำเป็นพิธีกรรมซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้ถูกสะกดเป็นคนทรงแต่ถึงกระนั้นพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นนั้นจะต้องมีผลไปในทางจูงใจ ทำให้จิตใจของเขาว่างไม่ให้ไปเกาะหรือยึดมั่นอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเหนียวแน่นซึ่งพิธีกรรมเช่นนี้ได้ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเขาให้ว่างไปโดยลำดับจนกระทั่งอยู่ในภาวะที่วิญญาณของผู้ใดผู้หนึ่งจะเข้ามาครอบงำได้การสะกดจิตแบบนี้มีใช้อยู่ในสมัยโบราณทั่วไปของไทยก็มี เช่นการเชิญวิญญาณแม่สีเป็นต้นพิธีกรรมเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นการสะกดจิตเหมือนกันแต่ที่ถูกควรจะเรียกว่าเป็นการจูงใจให้ว่างมากกว่าฉะนั้นไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่เรากล่าวว่าเป็นการสะกดจิตเพื่อการเข้าทรงนั้นถ้าจิตของผู้ที่เป็นคนทรงไม่ว่างเพราะไปยึดมั่นอยู่ในอารมอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเหนียวแน่น ย่อมจะเป็นคนทรงไม่ได้ส่วนในกรณีที่เราเห็นว่าเป็นไปได้นั้นเป็นเพราะการสะกดจิตนั้นไปทําให้จิตของผู้จะเป็นคนทรงเกิดว่างขึ้นมาซึ่งในกรณีอย่างนี้บางทีก็เป็นไปโดยอัตโนมัติกล่าวคือผู้ที่เป็นคนทรงนั้นพื้นเดิมเป็นคนทําใจให้ว่างได้ง่ายและมีตัวเป็นสื่อที่จะเป็นคนทรงได้ สำหรับในกรณีอย่างนี้เมื่อมีการสะกดจิตซึ่งจะโดยวิธีไหนก็ตามในช่วงที่เขากำลังปล่อยใจให้ว่างเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของผู้สะกดนั้นแทนที่เขาจะก้าวต่อไปตามคำสั่งของผู้สะกดจิตใจของเขากลับเป็นไปตามความเคยชินที่เคยเป็นคนทรงมาแล้วในอดีตซึ่งในกรณีอย่างนี้คนอื่นไม่อาจจะสังเกตได้หรือแม้แต่ตัวเองก็สังเกตไม่ได้ นอกจากจะมีความรอบรู้ในเรื่องนี้จริงๆเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามขอได้โปรดจำไว้ให้แม่นว่าผู้ที่จะเป็นคนส่งได้นั้นจิตใจของเขาจะต้องไม่ได้อยู่ในคำสั่งของใครมาก่อนคือไม่ได้ไปยึดมั่นอยู่ในอารมณอย่างใดอย่างหนึ่งใจของเขาจะต้องว่างหรือเป็นอิสระพอสมควรจึงจะมีใครมาเข้าส่งได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าการสกดจิต เพื่อจะให้มีผลในการเข้าทรงนั้นต้องเป็นการสะกดจิตเพื่อให้จิตของเขาว่างซึ่งการสะกดจิตแบบนี้ก็คือการจูงให้จิตของเขาว่างนั่นเองการสะกดจิตในรายที่มีผลทำให้ผู้ถูกสะกดระลึกชาติได้หรือระลึกย้อนหลังได้ก็อยู่ในกฎอันเดียวกันนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ถูกสะกด จะต้องเป็นคนมีพื้นสมาธิดีมาก่อนหรือเป็นคนเคยมีความสามารถในทางระลึกชาติได้มาแล้วในอดีตชาติจึงจะมีผลดังที่กล่าวมาได้